เพท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ก้าเมษายนพุทธศักราชส5 6 0นห้า้อยหกสิบเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาละบา มาชำละใจให้สาอาดบริสุทธิ์ราอมีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวุทั้งหลายที่สอนเรื่องกฎแห่งกรรมคือทาดีได้ดีได้ความสุขได้ความเจริญทาชั่วก็ได้ สิ่งที่ไม่ดีได้ความเสื่อมเสียได้ความทุกข์นี่คือกฎตายตัวเป็นความจริงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าทำแล้วจะต้องได้รับผลตามเหตุที่กระทำถ้าเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุไม่ดีผลไม่ดีการกระทำ เหตุนี่เราเรียกว่ากรรมกรรมนี้มีสามเราทำได้สามทางด้วยกันคือทางร่างกายทางวาจาและทางใจโดยที่มีการกระทําทางใจเป็นผู้รับผิดชอบเพราะใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายพูดให้ร่างกายทำอะไรต่าง แต่ผู้ที่รับผลบุญผลบาปนี้คือใจผลบุญผลบาปนี้ก็มีอยู่สองลักษณะด้วยกันของที่เกิดขึ้นภายนอกใจและของที่เกิดภายในใจของที่เกิดภายนอกใจก็คือเวลาเราทําความดีเราได้รับผลตอบแทนจากผู้อื่นได้รางวัลได้ คำชมเชยอย่างนี้เรียกว่าผลตอบแทนภายนอกใจส่วนผลตอบแทนภายในใจก็คือใจเราจะมีความสุขเวลาที่เราได้ทำความดีและใจเราจะได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นไปเพราะใจนี้มีการขึ้นมีการลงได้ถ้าขึ้นก็ขึ้นไปเป็นเทพเป็นพร ไปเป็นพระอาริยะบุคคลถ้าลงก็ลงไปเป็นเดลฉานไปเป็นเปรตไปตกนรก <Yeah. S 1> นี่คือผลที่เกิดขึ้นภายในใจผลที่เกิดภายนอกใจนี้อาจจะไม่เกิดทันทีทันใดอาจจะต้องใช้เวลาหรืออาจจะรอไปถึงพบหน้าชาติหน้าก็ได้ดังนั้นเวลาเราทำ บุญหรือทำบาปนี้ถ้าเราอยากจะเห็นผลทันทันทีให้หันเข้ามาดูที่ใจของเราถ้าเราทำบุญทำความดีใจจะมีความสุขจะมีความเย็นมีความสบายถ้าเราทำบาปใจเราจะร้อนใจเราจะทุกข์ใจเราจะวุ่นวายอันนี้คือผลที่เราควรดูจากเหตุ คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของเราอย่าไปดูผลที่อยู่ข้างนอกใจเช่นบางคนบ่นว่าทำความดีถ้าเป็นแทบตายไม่ได้ดิบไม่ได้ดีเลยส่วนคนทำความชั่วนี้ได้ดิบได้ดีมีถมไปก็ต้องขอบอกกันว่าผลภายนอกนี้มันไม่จาเป็นที่จต้องเป็น เป็นไปตามกฎแห่งกรรมคือคนทำชั่วได้ดิบได้ดีก็มีคนทำชั่วแล้วร่ำรวยก็มีเช่นคนช่อโกงช่อลาดบังหลวงเอาเงินภาษีไปใช้เป็นของส่วนตัวก็ร่ำรวยขึ้นมาได้อันนี้ความร่ำรวยความเจริญในยศล่ำยศสรรเสริญสุขนี้ไม่ได้เป็นเครื่องวัดการกระทำ ความดีหรือความชั่วได้ทั้งสองอย่างคนที่ทำชั่วแล้วจเจริญในาลาบยศสรรเสริญเจริญในความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็ได้เช่นก็ทำชั่วช่อลาบบงหลวงแล้วก็สอพรอรับใช้เจ้านายเจ้านายก็ให้ตำแหน่งให้ยศ แล้วตัวเองก็ได้เงินจากการช่อลาดบางหลวงแล้วก็เอาเงินนี้ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่ขอให้เข้าใจว่านี่ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการทำชั่วที่แท้จริงความชั่วก็คือผลเกิดขึ้นที่ใจเขาแล้วถ้าเขาทำบาปด้วยความโลภใจของเขาก็ตกลงไปสู่ ความเป็นเปรตถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจของเขาได้เสื่อมลงไปสู่การเป็นเปรตแล้วดังนั้นขอให้เราอย่าไปกังวลกับผลที่อยู่ภายนอกเพราะมันไม่แน่นอนมันมีหลายเหตุด้วยกันคนที่ทำดีแล้วยังไม่ได้รับผลดีทางภายนอกก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงเวลา คนที่ทำาชั่วแล้วรับผลของภายนอกก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นผลบุญของอดีตที่ทำเอาไว้แล้วมาส่งผลในปัจจุบันก็ได้ดังนั้นถ้าเราจะดูผลภายนอกเราจะสับสนเพราะว่าผลภายนอกนี้เกิดได้หลายรูปแบบด้วยกันทำาชั่วแล้วได้ดิบได้ดีก็มีทำดีแล้วอาจจะไปติดคุกติดตารางก็ได้ อันนี้ขอให้เราคิดเสียงี้ก็แล้วกันว่าเป็นเรื่องของวิบาสของเราถ้าเราไม่ได้เราได้ผลดีก็คิดว่าเป็นผลที่เราทำอาจจะเป็นในชาตินี้หรืออาจจะเป็นในอดีตชาติก็แล้วแต่ถ้าเราทำได้รับผลไม่ดีก็ขอให้คิดว่ามันเป็นผลบาปที่เราทามาในอดีตก็แล้วกัน แต่ข้อสำคัญสิ่งที่เราสามารถวัดได้เห็นได้ก็ดูที่ใจของเราใจของเรานี้มันจะรับผลทันทีทำบุญแล้วใจจะเย็นจะสบายจะอิ่มจะมีความสุขทันทีจะเป็นเทพขึ้นมาทันทีทำบาปแล้วก็จะร้อนขึ้นมาทันทีจะหลงจะทุกข์ขึ้นมาทันที เป็นเดะฉานขึ้นมาทันทีเป็นเปรตขึ้นมาทันทีเป็นอสุรกายขึ้นมาทันทีเป็นสัตวร์นรกขึ้นมาทันทีนี่แหละคือตัวที่วัดผลของบุญของบาปที่แท้จริงก็คือใจของเราส่วนลาบยศสรรเสริญสุขนี้มันเป็นของไม่แน่นอนอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้ คนทำบาปทำาชั่วอาจจะไม่ไปติดคุกติดตารางก็ได้เพราะเขามีวิธีที่จะหนีตำรวจได้ตำรวจก็เลยจับเขาไม่ได้อย่างนี้ก็อย่าไปคิดว่ากรรมที่เขาทำไว้ไม่มีผลถ้าเขาทำบาปตายไปมีผลรออยู่แล้วสีที่ด้วยกันถ้าไม่ไปเป็นเดลฉานก็ไปเป็นเปรต ไม่ไปเป็นเปรตก็ไปเป็นอสุรกายไม่ไปอสุรกายก็ไปตกนรกส่วนคนที่ทำความดีถึงจะไม่ได้รับรังวี่รางวัลไม่ได้รับผลตอบแทนในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ใจเขามีความสุขเขามีตายไปเขาก็ได้ไปเป็นเทวดานี่คือเรื่องของบุญของบาปที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรง่ง แล้วนำมาสั่งสอนพวกเราที่ยังไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าใครไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาสนั่นเองเรารู้ว่าเรามีเพียงร่างกายแล้วเวลาร่างกายนี้ตายไปร่างกายก็ถูกเผาถูกฝังกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นดินไปแล้วใครจะมารับผลบุญผลบาปที่เราทาไว้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติ จิตตภาวนานั่งสมาธิเราจะไม่เห็นผู้ที่กระทําบุญกระทําบาปเราจะไม่เห็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปก็คือใจของพวกเราพวกเรามีใจด้วยกันแต่พวกเราคิดว่าใจของพวกเรานี้อยู่กับร่างกายคิดว่าพอร่างกายตายไปแล้วใจก็ตายไปกับร่างกายด้วย แต่ความจริงแล้วใจไม่ได้อยู่กับร่างกายใจอยู่อีกที่หนึ่งเหมือนอยู่บนโลกพระจันทร์ร่างกายอยู่บนโลกนี้แต่ใจอยู่บนโลกพระจันทร์โลกพระจันทร์ของใจนี้เราเรียกว่าโลกทิพย์วิธีที่ใจมาเชื่อมกับร่างกายก็คือกระแสวิญญาณที่มีอยู่ห้ากระแสด้วยกันที่เรียกว่า จากขุวิญญาณโสตะวิญญาณกระแสของของจิตนี้จะส่งมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะรับรูปเสียงกลิ่นรสเวลาตาเห็นอะไรใจก็จะรับรู้จากภาพที่ตารับเข้ามาเวลาร่างกายรับเสียงเวลาหูรับเสียงใจก็จะรู้ว่ากําลังได้ยินเสียงอะไร นี่คือใจไม่ได้อยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายตายไปใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังอยู่ต่อไปเพราะใจไม่มีวันตายและใจนี่แหละที่เป็นผู้รับผลบุญผลบาปจากการกระทาของใจด้วยการสั่งให้ร่างกายพูดให้ร่างกายทำสั่งให้ร่างกายโกหก สั่งให้พูดโกหกให้หลอกลวงเพื่อที่จะย้ายเอาเงินเอาทองจากผู้อื่นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าทำบาปสองกระทงโกหกหลอกลวงแล้วก็ลักทรัพย์เอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตมาอันนี้ทำแล้วใจก็จะรับผลทันทีถ้าทำด้วยด้วยค่อนไม่รู้ว่าเป็นบาปก็จะไปเป็นเลราชาน ถ้าทำด้วยความโลภอยากร่มอยากรวยอยากได้มากมากก็จะไปเป็นเปรต น, นี่คือเกิดขึ้นที่ใจร่างกายเหมือนเดิมร่างกายของพวกเราตอนนี้เป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่ใจของพวกเรานี้ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตามการกระทาบุญหรือบาปถ้าทำบุญใจเราก็จะขึ้นสูงไปเป็นเทวดาชั้นต่ตาง หรือไปเป็นพระมงไปเป็นพระอริยเจ้าถ้าเราทำบาปเราก็จะไปเป็นเดชะชานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นนรกบ้างแล้วเวลาที่ตายไปนี้ก็จะมีการรวบรวมบัญชีบุญที่เราทำไว้มีมากน้อยเท่าไหร่ก็รวมกันบาปที่เราทำไว้เท่าไหร่ก็รวมกันแล้วมาลบกัน ดูว่าบาปกับบุญอันไหนจะมีมากกว่ากันถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงให้ใจไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกก่อนถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจให้ไปสวรรค์ให้ไปเป็นเทวดาก่อนแต่บุญกับบาปนี้ไม่หมดบุญที่ยังไม่ได้ส่งผลก็รอเวลา ที่บุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะสมผลให้กับจิตใจให้ไปเป็นเทวดาให้ไปเป็นพรหมให้เป็นเป็นพระอริยบุคคลเวลาที่บาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะทาให้ใจให้เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ใจเป็นผู้กระทําและใจเป็นผู้รับผล ร่างกายนี้เป็นเพียงลูกน้องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวร่างกายเขาไม่รู้เรื่องอะไรจะไปติดคุกติดตารางร่างกายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในคุกในตารางผู้ที่รู้ก็คือใจผู้ที่ทุกข์ก็คือใจเวลาติดคุกติดตารางนี้ใจทุกข์ร่างกายเขาก็ไม่ทุกข์ร่างกายเขาก็เหมือนตอนที่เขาอยู่นอกตารางเขาก็มีอาหารกิน มีที่หลับนอนมีอะไรเหมือนเดิมเขาไม่ได้รับเป็นผู้รับโทษผู้ที่รับโทษจริงๆก็คือใจเวลาที่ได้รับรางวัลก็ใจนี่แหละเป็นผู้ดีใจใจผู้มีความสุขร่างกายก็เหมือนเดิมร่างกายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาได้รางวัลเขาได้รับตำแหน่งได้เลื่อนจากนายร้อยเป็นนายพันจากนายพันเป็นนายพล ร่างกายก็ร่างกายอันเดิมอยู่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนกับคนขับรถกับรถยนต์เวลาคนขับรถยนต์ไปชนคนตายเขาไม่ได้เอารถไปขังคุกขังตารางเขาจับคนขับไปขังคุกขังตารางเวลาที่คนขับรถขับแล้วไปรับคนช่วยเหลือคนคนที่ได้รับรางวัลก็ไม่ใช่รถยนต์ คนที่ได้รับรางวัลก็คือคนขับฉันใดร่างกายของเรานี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์เป็นผู้รับใช้คนขับคนขับก็คือใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆสั่งให้ไปฆ่าสั่งให้ไปลักทรัพย์สั่งให้ไปประพฤติผิดประเวณีสั่งให้ไปโกหกหลอกลวงสั่งให้ไปดื่มสุรายา ผู้ที่รับผลจากการกระทำก็คือก็คือใจนี้เองใจจะทุกข์ขึ้นมาจะร้อนขึ้นมาใจจะกลายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตขึ้นมาทันทีในทางตรงกันข้ามถ้าไปทําบุญไปช่วยเหลือคนอื่นไปทําให้คนอื่นเขามีความสุขใจก็จะมีความสุขและใจก็จะกลายเป็นเทวดาขึ้นมาแล้วถ้าไปอยู่วัด ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ใจก็จะกลายเป็นพรมขึ้นมาแล้วถ้าไปฟังเทศฟังธรรมจนเกิดปัญญาเห็นว่าทุกเกิดจากความอยากเห็นว่าการละความทุกข์ก็คือการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเพื่อมากำจัดความอยากพอกำจัดความอยากได้จิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์ ก็กลายเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมากลายเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอราหันต์ถ้าไปเป็นพระอราหันต์ก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายแล้วการที่ใจยังต้องใช้ร่างกายอยู่เพราะใจยังมีความอยาก ดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆก็ต้องมีร่างกายแต่ถ้าสามารถกาจัดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ไม่มีความจงเป็นที่จะต้องมีร่างกายอีกต่อไปร่างกายอันนี้ตายไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่นี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ ท่านกำจัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้เพราะท่านมีความสุขเอกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบความสุขที่เกิดจากการไม่ทำตามความอยากอันนี้แหละเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านมีกันท่านเลยไม่ต้องมีร่างกายเหมือนพวกเรา พวกเรายังไม่มีความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิยังไม่มีความสุขที่เกิดจากการตัดความอยากพวกเราก็เลยยังต้องมีร่างกายไว้สำหรับทําตามความอยากต่างๆแต่ทาไปแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวก็ตายไปตายไปแล้วก็ต้องไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปเพราะยังจะกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะยังอยากจะมีร่างกายอีก แต่สำหรับพระพุทธเจ้าสำหรับพระอาหารหันตสาวกนี้ท่านไม่มีความอยากจะกลับมาเกิดอีกแล้วท่านก็เลยไม่มาเกิดในตายภพท่านก็จะอยู่ที่นิพพานบุญกรรมที่ท่านทำไว้ก็หมดปัญหาไปไม่สามารถส่งผลได้อีกต่อไปนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุป แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ไม่รู้กันถ้าเราไม่มีพระพุทธเจา้าไม่มีพระอริยสงสาวกไม่มีพระธรรมคำสอนมาบอกพวกเราพวกเราก็จะคิดว่าตายแล้วศูญย์เมื่อตายแล้วศูญย์เราจะไปทำบุญให้เสียเวลาทำไมเช่นวันนี้มานั่งที่วัดเสียเวลาทำไมสู้ไปเที่ยวกันไม่ดีกว่าเลยนอนตื่นสาย พอตื่นสายตื่นขึ้นมาก็แต่งเนื้อแต่งตัวไปเที่ยวกันไปทําอะไรกันตามความอยากกันมาทําบุญก็เสียเวลาเสียเงินเสียทองแล้วก็ไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรตายไปก็ศูนย์ตายไปร่างกายก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปแล้วใครจะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาป ก, กันแต่นี่เรามีพระพุทธเจ้าผู้ได้พิสูจน์แล้ว ผู้ได้เห็นแล้วว่านอกจากร่างกายแล้วเรายังมีใจใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำบุญทำบาปใจนี่แหละไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละที่ไปรับผลบุญผลบาปไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าหรือไปเป็นเปรตเป็นเดชะฉานไปตกนรกคือใจของเรานี่แหละนี่ นี่คือสิ่งที่เรายังไม่สามารถมองเห็นได้เราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไปก่อนแล้วพอเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าเราสามารถนั่งสมาธิได้เราก็จะพบกับตัวเราเหมือนกับเราได้ไปพบกับกระจกที่จะส่องหน้าตาเราถ้าเราไม่มีกระจกนีเราจะไม่รู้ว่าหน้าตาเราเป็นอะไรสวยหรือไม่สวยหล่อหรือไม่หล่อ หน้าเกลียดหรือหน้ากลัวเราจะไม่มีวันรู้ได้การที่เรารู้ว่าหน้าตาคือร่างกายของเรานี้มีหน้าตาอย่างไรก็เพราะว่ามีกระจกให้เราดูนั่นเองฉันใดการนั่งสมาธินี้ก็เป็นการสร้างกระจกไว้สำหรับดูใจเขารเรียกว่าแว่นส่องใจแว่นส่องใจกระจกส่องใจการที่ยังมีกระจกส่องใจนี้เราต้องนั่งพุธนั่งสมาธิทาใจให้สงบ พอใจสบบแล้วแววนสองใจก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นตัวเราที่แท้จริงว่าคือใครเราจะเห็นตัวรู้ตัวเรานี่แหละคือตัวรู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วตัวเรานี่แหละเป็นผู้ที่ได้รับผลเวลาทำความดีเราก็มีความสุขใจสบายใจ เวลาทำความไม่ดีเราก็ทุกข์ใจร้อนใจไม่สบายใจนี่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราจะมีดวงตาเห็นธรรมเราจะเห็นกฎแห่งกรรมแล้วเราจะเชื่ออย่างสนิทใจเราจะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระอริยสงสาวกหรือไม่ตอนนี้เรายังอาจจะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ พระอริยสงสาวกมีจริงหรือไม่เราอาจจะคิดว่าเป็นนิยายก็ได้เป็นเรื่องที่คนเขาแต่งขึ้นมาหลอกให้เราทําความดีกันเท่านั้นเองแต่ไม่มีความจริงแต่อย่างใดแต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนได้สอนให้เรานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้แล้วเราจะเห็นเราจะรู้จักตัวของเราว่าเป็นใครกันแน่ ถ้าเราจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปนี่้าเราก็จะทำความดีเราจะละบาปเราจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ดึงให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่มีวันจบสิ้นถ้าเรากำจัดความอยากภายในใจให้หมดไปได้แล้ว เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมารับผลบุญผ ล, ผลบาปไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกอีกต่อไปนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พวกเราตอนนี้ยังมองไม่เห็นแต่เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเห็นแล้วพระอริยสงสาวกเห็นแล้วเราก็ขอเชื่อไว้ก่อนดีกว่า เหมือนกับคนตาบอดที่ขอเชื่อคนตาดีดีกว่าไม่เชื่อเลยมีคนตาดีนำทางนี้ดีกว่าไม่มีใครนำทางนี่คือเนื่องที่พวกเราเข้ามาศึกษากันเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราด้วยการปฏิบัติตามที่พพุทธเจ้าทรงสอนสามประการคือให้ทำบุญให้ละบาป แล้วก็ให้ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปถ้าเราทําได้แล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวกที่ท่านกําลังรอเราอยู่ท่านไม่มีวันตายท่านไม่มีวันสูง ท่านเพียงแต่ว่าท่านไม่กลับมาเกิดเพื่อมาพบกับเราเท่านั้นถ้าเราอยากจะพบกับพระพุทธเจ้ากับพระสาวกเราต้องไปพ่านนิพพานกันเท่านั้นถึงจะได้พบกับท่านดังนั้นขอให้ท่านจงน้อมเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความบุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนาสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเทอ